บทที่เจมิตรภาพสัมพันธภาพกับความเมตตาอะไรคือกุญแจไขเข้าไปสู่หัวใจของคนเราความเข้าใจอย่างไรละ่ะสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของเราก็คือสัมพันธภาพมิตรภาพหากไร้สัมพันธภาพที่แท้จริงชีวิตก็ยังไม่ใช่ของจริงสัมพันธภาพเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดทั้งความสุขอันยิ่งใหญ่ และความโทมานั์อันใหญ่หลวงคุณภาพของความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างทรงอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของเราของขวัญล้ำค่าที่สุดที่อาตมาจะมอบให้คุณได้ก็คือมิตรภาพนี้เองมิตรที่ดีคือสิ่งประเสริฐหากไรกะรยาณมิตรชีวิตคงจะจืดสนิททีเดียวแต่การจะมีเพื่อนสักคน ก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆสหายรักทุกวันนี้อาตมาหรือมิตรสหายเพียงน้อยนิดมิตรภาพของทุกๆคนที่เหลืออยู่จึงมีค่ายิ่งต่ออาตมาการมีเพื่อนสักคนช่างเป็นประสบการณ์ยอดเยี่ยมในชีวิตพอๆกับการค่อยๆเข้าใจตัวเองและโลกรอบๆตัวเพิ่มขึ้นนั่นแหละความเข้าใจ คือสิ่งที่น่าพึงใจที่สุดในชีวิตของอาตมามิตรภาพของเราไม่เคยจำกัดด้วยการเวลาหรือสถานที่ใดๆอาตมาได้เพื่อนใหม่หลายคนโดยไม่เคยคาดหวังอะไรจากพวกเขาเลยนอกจากเปิดใจกว้างและสื่อสารต่อกันอย่างอิสระจริงอยู่อาตมายังคงโหยหามิตรสหายคู่ใจที่จริงใจต่อกันอยู่ หวังจริงๆว่าสัมพันธภาพกับคุณก็ดีกับเขาผู้นั้นก็ดีกับลูกๆของอาตมาก็ดีหรือแม้แต่กับอดีตภรรยาของอาตมาก็ดีคงจะเป็นมิตรภาพที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันสัมพันธภาพของผู้คนทั่วไปมักจะเอาแน่เอานอนไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพียงเกมเท่านั้นคุณคิดว่า เราพอจะหาสัมพันธภาพที่ซื่อตรงเปิดเผยจริงใจได้บ้างไหมสัมพันธภาพแบบมิตรแท้ที่ไม่คิดควบคุมหรือฉกฉวยประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งแต่เปี่ยมด้วยความเชื่อใจและนับถือกันและกันโดยไม่คาดหวังจากอีกฝ่ายหนึ่งจนเกินเลยจากความเป็นจริงไปคนเราจําเป็นต้องมีสัมพันธภาพที่ดีเพื่อพัฒนาจิตใจ สัมพันธภาพที่ดีช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นหุ่นยนต์ยิ่งไปกว่านั้นสัมพันธภาพเลวๆอาจทำให้เรากลายเป็นสัตว์ร้ายหรืออะไรที่เลวร้ายกว่านั้นได้คนเรามีความเป็นมนุษย์น้อยลงทุกทีเพราะขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและกันนั่นเอง สัมพันธภาพเปรียบได้กับผืนดินที่จิตใจของเราเติบโตขึ้นมาหากดินไร้คุณภาพเราก็เติบโตช้าหรือแคระกรันไปเลยแต่หากดินดีเราก็เติบโตไวแข็งแรงเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์หากไร้สัมพันธภาพที่ดีจิตใจของเราจะไม่มีวันเติบโตอย่างสมบูรณ์ได้เลย เราจึงต้องการสัมพันธภาพที่ดีที่สื่อสารกันด้วยความซื่อสัตย์ราบรื่นลื่นไหลไร้ความคลาดกลัวส่วนความสัมพันธ์ที่เลวร้ายคงเปรียบได้กับยาพิษนั่นเองสัมพันธภาพที่ประกอบด้วยความจริงใจด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเข้าอกเข้าใจห่วงใยเมตตาและอดทน ก็ย่อมเป็นไปด้วยดีสาเหตุที่ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ล้มเหลวก็เพราะไม่มีการเปิดใจต่อกันและกันอย่างแท้จริงไม่มีความรู้สึกห่วงใยยอมรับและให้เกียรติกันและกันไม่มีความเข้าใจว่าเราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์ที่ล้วนมีข้อบอกพร่องและข้อจำกัดตามแบบฉบับของแต่ละคน อีกหนึ่งสาเหตุของความล้มเหลวก็คือการคาดหวังในผู้อื่นมากเกินไปนำมาซึ่งการผลักไสไม่ยอมรับเพราะคิดว่านี่มิใช่สิ่งที่คาดคิดว่าควรจะเป็นหาความสัมพันธ์นั้นประกอบด้วยหัวใจที่เปิดกว้างบอบบางและไวต่อความรู้สึกจริงใจเมตตาและเข้าอกเข้าใจ ก็จะเกื้อกูลจิตใจให้พัฒนาเติบกล้าไปสู่วุธิภาวะที่สมบูรณ์น่าเสียดายที่สัมพันธภาพส่วนใหญ่จืดชืดไร้ชีวิตชีวากลายเป็นแค่ความคุ้นเคยที่ดำเนินไปอย่างแก่นแกนเท่านั้นเองหากไร้ความซื่อตรงต่อกันการสื่อสารที่แท้จริงย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ขาดการสื่อสารที่แท้จริงสัมพันธภาพที่จริงแท้ย่อมไม่เกิด ขาดสัมพันธภาพที่จริงแท้เสียแล้วความอนุเคราะห์ที่แท้จริงจะมีได้อย่างไรความช่วยเหลือสนับสนุนสั่งสอนและอื่นๆเราจึงต้องมีเพื่อนดีๆสักคนหลายๆคนได้ยิ่งดีไม่ว่าใครก็ไม่สมควรจะอยู่ในที่ที่ไร้มิตรสหายว่าแต่ว่าเรารู้ความหมายของคําว่าเพื่อนแล้วหรือยิ่งไปกว่านั้น เรายัางต้องการสถานที่ที่เหมาะสมกับอารมณ์ของเราอีกด้วยความการุณาเพื่อนร่วมโลกที่ทนทุกนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ยากหรอกแต่การที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นไปทั้งชีวิตมันก็ไม่ง่ายเช่นกันแค่ความรักยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คนสองคนอยู่ร่วมกันได้ทั้งคู่ยังต้องเข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้ง สัมพันธภาพใช่จะต้องการแค่ความรักความเข้าใจและชื่นชมกันและกันต่างหากที่ทั้งคู่จะต้องมีถามตัวเองดูสิว่าคุณยอมรับเรื่องเลวร้ายของเขาทุกเรื่องโดยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเขาได้หรือไม่และคุณจะยังคงให้เกียรติเขาอย่างตอนนี้ได้ตลอดไปหรือไม่สัมพันธภาพแบบที่ต้องพึ่งพากันตลอดเวลามักไม่เคยได้ผลเท่าใดหรอก สัมพันธภาพไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือมันควรนำไปสู่ความรักความเข้าใจความนับถือความชื่นชมให้เกียรติกันและกันไม่มีใครหรอกที่สมบูรณ์แบบหากไม่อยู่บนรากฐานของทัศนคติที่ถูกต้องบางครั้งสัมพันธภาพก็อาจกลับกลายเป็นความผูวพันที่วุ่นวายสับสนไปได้ไม่ควรใช้การแต่งงาน หรือสัมพันธภาพในรูปแบบใดๆเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาคนเราควรมีความสัมพันธ์ต่อกันด้วยความรักนับถือและชื่นชมแต่ละฝ่ายตามที่เป็นจริงหาไม่แล้วสัมพันธภาพที่แท้จริงย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ตกหลุมรักได้แต่อย่ารีบร้อนแต่งงานคนส่วนใหญ่มักเปลี่ยนไป หลังจากมีความสัมพันธ์ขั้นลึกซึ้งอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตกว่าจะมั่นใจได้ว่าเรารักคนคนนั้นจริงไฟไม่ฟางรุนแรงและมอดเร็วแต่ไฟไม่แกลบลามเรียช้าๆเนิ่นนานใช่ว่าการแต่งงานจะเลวร้ายไปเสียหมดอาตจจมาก็เคยเห็นหลายๆคู่อยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืนทั้งยางเกื้อกูลสนับสนุนกันและกัน ในการปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะหายากอยู่สักหน่อยก็ตามไม่ง่ายเลยที่จะผ่านพบคนห่วงใยเราขอเพียงรักโดยไม่คาดหวังให้สัมพันธภาพนั้นยืนยาวเหมือนการดื่มด่ำแสงเรืองรองของดวงตะวันยามรับขอบฟ้าตรงหน้าก็ใช่ว่าจะรั้งแสงงามนั้นไว้ได้ตลอดไปคนเราไม่เคยมีเมตตามากเกินไปหรอก มักจะน้อยเกินไปด้วยซ้ำเมตตาที่แท้จริงไม่เคยก่อให้เกิดทุกข์ความคาดหวังและการยึดติดต่างหากที่ทำให้เป็นทุกข์ความเมตตาไม่ได้มีไว้แลกเปลี่ยนจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคาดหวังว่าเมื่อให้เมตตาไปแล้วจะต้องได้รับเมตตาตอบแทนยามใดที่มีความคาดหวังก็แปลว่า เกิดความรักตัวเองขึ้นมาแล้วถ้าจะรักใครสักคนเพียงเพราะต้องการให้เขารักตอบก็ยอมต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดาเมื่อไม่ได้รับเมตตาตอบแทนทั้งความรู้สึกและความปรารนาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องผ่านไปปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเถิดอย่าจริงจังกับมันนักเลยแค่ตามรู้มันก็เพียงพอแล้ว คุณจะไม่เสียความรู้สึกหากไม่พยายามควบคุมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันความดิ้นรนที่จะควบคุมมันให้ได้ต่างหากที่ทำให้เราหมดเรี่ยวแรงความทุกข์หาได้เกิดเพราะเรามีหัวใจหรอกแต่เพราะเรามีความปรารถนาและจริงจังกับความปรารถนานั้นจนเกินไปต่างหากหากมีใครคนหนึ่งบอกคุณว่า ฉันรักคุณคุณย่อมเป็นสุขมากแต่คุณก็จะไม่เชื่อคำพูดนั้นอยู่ดีเราแบกความกลัวเช่นนี้ไว้ในซอกลืบของหัวใจตลอดมาถ้าเขาหรือเธอรู้จักเราดีกว่านี้ก็คงหมดรักเราแน่ๆเราต้องเตรียมใจไว้ก่อนที่จะถูกทอดทิ้งเราอยู่กับความลังเลสงสัยตลอดเวลา โดยไม่เคยเชื่อใจใครเลยย่ามที่คุณพูดว่าฉันรักเธอคุณมั่นใจหรือเปล่ายากนะยากจริงๆที่จะพบใครสักคนที่เข้าใจเราเราจึงเปล่าเปลี่ยวเดียวดายในโลกที่มีประชากรกว่าห้าพันล้านคนใบนี้มีคนเหงาอยู่สักกี่คนกันนะสัมพันธภาพระหว่างคนสองคนมีได้จริงๆหรือเปล่าเรา สัมผัสมนุษย์อีกคนได้จริงๆหรือคุณละ่ะยอมให้ใครอีกคนเข้ามาสัมผัส ต, ตัวตนของคุณได้จริงๆหรือเปล่ามีหลายต่อหลายคนเคยบอกอาตมาว่าท่านอาจารย์เป็นคนเดียวที่เข้าใจกระผมอาตมาแปลกใจเมื่อได้ยินแบบนี้บ่อยเข้าและรู้สึกจับใจกับคำพูดนั้นอาตมาพยายามเข้าใจทุกคน และหวังว่าจะสามารถเข้าใจผู้คนได้ลึกซึ้งแต่คงเข้าใจทุกๆคนไม่ไหวหรอกนะแบบนั้นมันมากเกินจะรับมืออย่างน้อยที่สุดอาตมาเพียงหวังว่าจะเข้าใจลูกสาวทั้งสองคนกับแม่ของเขาและผองเพื่อนกลยานามิตรที่ใกล้ชิดอาตมาทุกคนได้เราหวังจะมีใครสักคนมารักเราครั้นพอเรารักใครเข้า ก็กลับรู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควรกับความรักของเขาเราก็เลยทุ่มเทเสียสละทุกอย่างเพื่อจะได้รู้สึกว่าตนเองมีค่าคู่ควรกับความรักของใครคนนั้นสัมพันธภาพแบบนี้ไม่มีทางยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจให้ใครได้แน่ๆสัมพันธภาพที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ต่างฝ่ายต่างมีความมั่นคงและมีวุฒิภาวะที่บริบูรณ์เท่านั้นผู้ที่ยังขาดความมั่นคงและรู้สึกว่าตนไร้ค่าย่อมไม่มีวันเชื่อมั่นในสัมพันธภาพใดๆได้เลยปกติแล้วไม่มีใครรักคนที่เสียสละมากมายเพื่อตอนหรอกนะใครบ้างละ่ะที่อยากติดหนี้ หากคุณย้ำเตือนถึงความเสียสละที่คุณทุ่มเทให้เขาอาการเขาจะยิ่งหนักขึ้นแปลกดีไหมมนุษย์เราก็แปลกอย่างนี้แหละหากเคยช่วยเหลือใครทางที่ดีที่สุดคือช่วยแล้วก็ลืมไปเลยหากเขาจำได้ก็นับเป็นความดีของพวกเขาแต่ถ้าคุณไปกระตุ้นเตือนให้เขานึกถึงความช่วยเหลือที่คุณทุ่มเทให้ เขาอาจเหม็นหน้าคุณไปเลยก็ได้ถ้าฉันเสียสละเพื่อเขาเขาคงจะรักฉันชั่วชีวิตอย่าหลอกตัวเองดีกว่าฉันไม่ได้รักคุณเพราะสิ่งที่คุณทำเพื่อฉันแต่รักเพราะคุณเป็นคุณฉันจะยกโทษให้เขาแล้วเขาก็จะอภัยให้ฉันแล้วเราก็จะรักกันผิดแล้วนั่นมันคือการต่อรองต่างหาก อาตมาไม่อยากให้คุณใช้ทั้งชีวิตอยู่กับความเครือบแแลงสงสัยว่าเขาคนนั้นพูดความจริงกับคุณหรือเปล่ามันรังแต่จะกินพลังงานทั้งกายและใจของคุณไปจนหมดคนโกหกปลิ้นปล้อนทําอะไรได้ทุกอย่างอาตมาเองก็ไม่อยากใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ไว้วางใจไม่ได้ให้อภัยนะคงพอไหวแต่ใช้ชีวิตด้วยกันคงไม่ได้แน่ หาคุณอ่าน Sanity, Madness, and Family ของ R.D. i n e R.D. i n e 1,927-1,989 นักจิตวิทยายุคใหม่ชาวอังกฤษคุณคงเห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่าคุณจะเสียสติได้ขนาดไหนหากต้องอยู่กับคนที่ไม่พูดความจริงกับคุณการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องดี แต่การพาตัวเองเข้าไปมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับคนที่ไม่ซื่อตรงเป็นเรื่องผิดมหันสัมพันธภาพกับคนที่เราไม่ไว้ใจและให้เกียรติจะสมบูรณ์ไปได้อย่างไรกันทั้งคุณอาตมาและใครต่อใครต่างก็ต้องการให้คนมารักมาชอบทั้งนั้นแต่วิธีทำตัวให้เขารักต่างหากที่แตกต่างกันไป ที่เราปรารถนาจริงๆก็คือใครสักคนที่รักเราอย่างไร้เงื่อนไขแล้วคุณละ่ะรักตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขได้หรือเปล่าคุณรักตัวเองบ้างไหมถามแปลกเรายังไม่เคยถามตัวเองสักทีการรักก็ยังง่ายกว่าการเข้าใจแต่จะยิ่งประเสริฐกว่าหากรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันได้เรา ควรเรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่หวงแหนรักแท้ไม่เคยสร้างความเจ็บปวดสัมพันธภาพต้องมีความเมตตาซึ่งช่วยให้อดทนอดกลั้นยอมรับและเข้าใจกันและกันไม่มีมนุษย์สมบูรณ์แบบสักคนเดียวในโลกนี้การมองเห็นและยอมรับความบกพร่องของตัวเองได้คือหัวใจของความสุขและความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ถ้ายอมรับข้อบอกพร่องของตนเองยังไม่ได้แล้วจะยอมรับความบกพร่องของผู้อื่นได้อย่างไรคู่ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียวก็เพราะต่างเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายมีอิสระเท่าที่จะทำได้โดยไม่ยกตนข่มกันหรือเข้าไปก้าวไายครอบงากันพลังแห่งเมตตาแม้เพียงแค่ความเมตตาที่เฉพาะเจาะจงกับบางคนเท่านั้น ก็ยังทรงอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของเราจริงๆรักแท้และความเข้าอกเข้าใจที่ลึกซึง้งน่าพึงพอใจกว่าความบันเทิงเริงรมและเงินทองพึงดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาชีวิตจึงคุ้มค่าอย่าเมตตาผู้อื่นโดยคาดหวังว่าเขาจะรับเอื้ออาทรเรากลับเมื่อเราหวังจะมีชีวิตสุขสงบ ก็พึงเผื่อแผ่ความรู้สึกเช่นนั้นไปให้ผู้อื่นด้วยเราหวังให้ตนเองได้รับสิ่งดีๆเช่นไรก็พึงหวังให้ผู้อื่นได้รับสิ่งนั้นๆด้วยเช่นกันความเมตตาจากคนรอบข้างเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคภูเมตตาบกพร่อง MDS Meta deficiency syndrome คนเพี้ยนกันมากเพราะขาดเมตตาศีล สติและปัญญาจึงถูกความหรูหราฟุม่มเฟือยและของเล่นใหม่ๆล่อตาล่อใจจนลืมเลือนคุณสมบัติที่ดีงามของจิตใจไปหมดอีกในหนึ่งก็คือพวกเขาขายจิตวิญญาณให้ปีศาร์ไปแล้วคิดหรือว่าจะหาคนที่ทําให้คุณมีความสุขได้พบแล้วคิดหรือว่าจะพบคนที่รักคุณได้อย่างไร้เงื่อนไขไปตลอดชีวิต ความห่วงใยผู้อื่นก็คือความห่วงใยตนเองเพราะเราต่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนๆกันข้อความข้างบนนี้จะเป็นจริงได้หากคนเราไม่มีตัวกูของกูและหากเรายอมรับได้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดคุณไม่มีวันทำร้ายผู้อื่นได้โดยไม่ทำร้ายตนเอง ดังนั้นยามใดที่คุณช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับกำลังช่วยเหลือตนเองห่วงใ ย, ยผู้อื่นก็เท่ากับห่วงใ ย, ยตนเองเราจะเห็นและรู้สึกเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรากาจัดความเป็นตัวกูออกไปได้เสียก่อนไร้ความเป็นเขาก็ย่อมไม่มีความเป็นฉันเมื่อไม่มีทั้งตัวตนและสรรพสิ่งใดๆเหลือแล้ว ตัวคุณจะเป็นสิ่งใดหรือฉะนั้นทุกคนที่รู้จักล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทั้งสิ้นคุณนึกออกไหมว่าพวกคุณมีอิทธิพลต่อชีวิตของอาตมาอย่างไรและอาตมามีอิทธิพลต่อชีวิต จ, จิตใจของพวกคุณบ้างหรือไม่ก็คงจะเหมือนๆกันคุณแต่ละคน ล้วนมีส่วนแต่งเติมให้ชีวิตของอาตมาสมบูรณ์ขึ้นในหลายๆด้านหญิงคนหนึ่งที่มีจิตใจเป็นของตนเองยอมจะรักชายคนหนึ่งที่มีจิตใจเป็นของเขาเองได้คนสองคนที่เปี่ยมด้วยวุ ธ, ธิภาวะและหัวใจอิสระเป็นของตัวเองทั้งยังเคารพในอิสรภาพและความเป็นตัวเองของอีกฝ่ายหนึ่ง ย่อมสามารถช่วยกันสร้างสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งเปี่ยมด้วยสาระและความหมายทั้งยังถนอมรักษาสัมพันธภาพนั้นให้ยั่งยืนได้อีกด้วยเราอาจจะซื้อทาบได้แต่ซื้อมิตรไม่ได้คนที่กำลังลุ่มหลงในความรักย่อมมองไม่เห็นความจริงความรักไม่มีเหตุผลใดๆอย่ารีบร้อนแต่งงาน เรียนรู้จักการให้มากกว่านี้เสียอีกหญิงคนนี้ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งย่อมจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างเช่นเดียวกับเราทุกคนคุณต้องพยายามเข้าใจเธอในทุกๆด้านและรักทุกอย่างที่เป็นเธอมีใช่รักเธอเพียงบางด้านหรือรักเพียงภาพของเธอที่คุณวาดขึ้นมาเองคุณเล่าว่าเธอเป็นคนซื่อตรงมากนั่นแหละ คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดหากขาดความซื่อตรงสัมพันธภาพก็ไร้ความหมายแต่เธอก็สุ ข, ขุมและใจเย็นอย่างร้ายกาจเลยทีเดียวคุณคาดหวังให้เธอเป็นแบบไหนหรืออยากให้เธอเพอ้อพกไปกับหนุ่มคนที่กำลังหลงรักเธอหัวปักหัวปำด้วยอย่างนั้นหรือแน่นอนเธอจำเป็นต้องระมัดระวังตัว เธออาจเคยมีประสบการณ์กับพวกชายที่รักจนเป็นบ้ามาก่อนปล่อยให้เธอค่อยๆรักคุณเพิ่มขึ้นทีละนิดจะดีกว่าหญิงย่อมต้องเสี่ยงกว่าชายแค่ความรักอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเสียด้วยคุณคงเคยอ่านหรือได้ยินเรื่องราวของความรักแสนโรแมนติกมาบ้างแล้วความรักของหลายๆคู่หาได้ยั่งยืนบางคู่ จบลงเป็นความเศร้าด้วยซ้ำไปความรักมันระคนไปได้วยความเจ็บปวดก็จริงแต่เป็นความเจ็บปวดที่คุณไม่อยากให้หายมันช่างมีค่าความเจ็บปวดที่ระคนด้วยความสุขการได้รักใครสักคนจนหมดหัวใจช่วยให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่แท้จริงประสบการณ์นี้มีผลต่อการมองผู้อื่น มันล้ำค่าเกินจะประมาณได้เราพูดถึงความรักกันมากเกินไปแล้วกระมังแล้วเราเข้าใจสิ่งที่เราพูดถึงอยู่หรือเปล่าคุณเล่ามาว่าบางครั้งกระผมรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอีกต่อไปคุณเคยรู้จักความจริงด้วยหรือตราบเท่าที่เรายังถามหาความจริงกันอยู่ก็แปลว่าเรา อยู่ห่างจากมันเมื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งกับความจริงได้แล้วนั่นแหละเราจะเลิกถามหามันอีกต่อไปหากจะให้อาตมาแนะนำก็คงต้องย้ำว่าพึงใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจว่าตนต้องการอะไรจริงๆในชีวิตบางคนอาจดำเนินชีวิตโดยเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ คุณคาดหวังอะไรจากความสัมพันธ์บ้างหากคุณยังไม่รู้ว่ามองหาอะไรในชีวิตคุณจะจบลงด้วยการแบกรับสิ่งที่คุณไม่ต้องการไว้มากมายอาตมาเข้าใจความหมายของคุณดีเมื่อคุณกล่าวว่ากระผมอยู่ด้วยใจมองจากความสัมพันธ์ที่อาตมาเคยมีต่อคนส่วนใหญ่ออาตมามักสับสนเมื่อฉุกคิดว่า สิ่งสําคัญที่จะทําให้สัมพันธภาพนั้นจริงจังยังคงขาดหายไปในบางกรณีต้นเหตุก็เกิดจากอาตมาเองเมื่อบางอย่างผิดพลาดสัมพันธภาพก็ยากจะยั่งยืนตอนนี้อาตมาเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วสัมพันธภาพกับบางคนจึงดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติอาทิเช่นสัมพันธภาพกับกาลยานมิตรเช่นคุณ อาตมาหวังว่าคุณทั้งสองจะเปิดใจและซื่อตรงต่อกันในชีวิตจริงมันไม่มีแล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์หรอกนะชีวิตมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอเราเพียงแต่ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขมันด้วยปัญญาการมีปัญหาบ้างก็นับเป็นเรื่องจำเป็น การร่วมทุกข์สุขร่วมผ่านวิกฤตต่างๆด้วยกันอย่างอดทนจะช่วยให้คุณทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้สัมพันธภาพของคุณทั้งคู่มีความหมายและยืนยาวยิ่งขึ้นความรักอย่างเดียวไม่พอหรอกคุณทั้งคู่ต้องเข้าใจทั้งความรู้สึกความปรารถนาความหวัง ความฝันความกลัวและอื่นๆของอีกฝ่ายด้วยดูจากกรณีพ่อแม่ของเราที่รักเราเช่นกันแล้วเหตุใดเราจึงสารสัมพันธ์กับท่านไม่ได้เราคุณโชคดีมากทีเดียวที่ได้รู้ความหมายของการที่เราได้รักใครสักคนอนาคตเป็นเรื่องยากจะกลา่าวแต่อาตมาก็เชื่อว่าความรักที่คุณมีต่อเธอ ก็ให้เกิดความหมายและความเข้าใจอันลึกซึ้งกับชีวิตของคุณแล้วเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตเราคนอีกมากมายใช้ชีวิตจนตายจากไปโดยไม่เคยรู้เลยว่าจะรักใครอย่างอ่อนโยนได้อย่างไรแม้เขาจะร้องเพลงรักเป็นก็ตามกล่าวกันว่านกไนติงเกลทิมแทงอกตัวเองด้วยหนามแหลมคม ยามขับขานเพลงรักหวานคนเราก็เช่นกันมีวิธีอื่นจะขับขานเพลงรักด้วยหรือคาริลยิบรอนคาริลยิบรานหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสามถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบหนึ่งกวีผู้เรืองนามชาวอเมริกันเชื้อสายเลบานอนผู้เป็นทั้งนักปรัชญานักประพันธ์กวีและศิลปินยินดีที่ได้ยินว่า คุณทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันแล้วทีนี้คุณก็ได้รับรู้ชีวิตจิตใจจริงๆของเธอเสียทีรับรู้ความรู้สึกและปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับคุณและอเมริกาตลอดจนความขัดแย้งในใจของเธอหากจะมีคนส่วนใหญ่มีปมความขัดแย้งในใจคุณรู้จักเธอในเชิงลึกแล้วหรื อ, อยังเข้าใจความรู้สึกที่เป็นเธอหรือเปล่าหากเธอ ไม่ยอมแต่งงานกับคุณละ่ะจะเป็นเช่นไรอะไรบ้างที่จะทำให้สัมพันธภาพนี้สมบูรณ์ยืนยาวมีชีวิตชีวาน่าพึงพอใจแทนที่จะเป็นแค่การอยู่ร่วมกันไปแกนแกนด้วยความเคยชินคุณเล่ามาว่ากระผมปรารถนาเธอเหลือเกินแต่กระผมต้องการอะไรกันแน่คำถามนี้สำคัญมาก ไม่มีใครตอบแทนคุณได้คุณต้องค้นหาคำตอบจากส่วนลึกในใจเองการหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเปี่มล้นด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งกระจ่างแจ้งสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องอาศัยคำพูดลี้ลับเนือเหตุผลใดๆเป็นสัญชาตญาณที่มั่นใจว่าคนทั้งสองคนเกิดมาคู่กันในภพชาตินี้เพื่อจะรักห่วงใย ช่วยเหลือกันและกันทั้งยังรู้ว่าความเข้าใจจากใจทั้งสองดวงจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระจ่างใสไร้ความกลัวและความลับใดๆต่อกันเป็นความไว้วางใจที่แท้จริงไร้การแสดงตบตาใดๆทั้งหมดนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่อย่าลืมขอให้เธอเล่าเรื่องราวของเธอให้คุณฟัง เรื่องราวครั้งเยาววัยครอบครัวพ่อแม่พี่น้องความหวังความกลัวของเธอและอื่นๆคุณบอกว่าความปรารถนาที่รุนแรงเร่าร้อนเจียนบ้าของกระผมจางลงแล้วและมันลดลงไปเองหรือเพราะว่าผมชนะใจเธอได้แล้วพึงระวังให้มากคุณมีชีวิตอยู่กับความเร่าร้อนไม่ได้หรอกนะ มันจะเผาคุณจนมอดไหม้ปกติของชีวิตคือและคุณจะเป็นความเรียบง่ายสบายๆ ส, ยสพรพพสิ่งในธรรมชาติล้วนมีวัตจักรของมันคุณจึงมีชีวิตอยู่ในความเร่าร้อนแบบนั้นไม่ได้นานคุณจะเอาตัวไม่รอดเพราะดำเนินชีวิตตามปกติอย่างที่เคยทำไม่ได้ความเร่าร้อนรุนแรง มันเผาผลาญพลังงานของคุณมากทีเดียวอาตมาไม่ได้พูดว่าความรู้สึกเร่าร้อนไม่สําคัญหรอกนะมันก็มีส่วนกระตุ้นให้คุณมีชีวิตชีวามันเปลี่ยนคุณค่าและจุดหมายของชีวิตคําตอบสําหรับคําถามข้อหลังของคุณก็คงทําได้โดยเปลี่ยนคําถามให้เป็นคําตอบคุณชนะใจเธอได้แล้วเมื่อไม่ต้องกังวลว่า จะถูกเธอปฏิเสธอีกต่อไปคุณจึงเลิกเร่าร้อนจีนบ้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณรักเธอน้อยลงกว่าเมื่อก่อนหากแต่แปลว่าตอนนี้คุณรู้สึกมั่นคงขึ้นมากความรักที่เร่าร้อนรุนแรงไม่เคยให้ผลดีในระยะยาวความเมตตาที่อบอุ่นหรือเย็นใจไม่ใช่เย็นชาน่าจะมีประโยชน์กว่า มั่นใจได้กว่าและเกื้อกูลกว่าเอาเถอะเดี๋ยวคุณก็จะเกิดอาการเจนบ้าอีกครั้งตอนคุณมีลูกคนแรกอาตมาจะคอยดูตอนคุณมีลูกอาตมายินดีอาสาเป็นสหายเป็นเพื่อนเล่นกับเจ้าหนูน้อยอาตมาชำนาญมากกับการเป็นเพื่อนเล่นของเด็กๆโปรดอนุญาตให้อาตมาได้ช่วยสอนลูกของคุณ ให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติชีวิตและตัวตนของแกเองด้วยสัมพันธภาพต่างๆที่มีปัญหาคุณจะลงเอยไปเสีทีคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมิฉะนั้นชีวิตก็ยากที่จะสมบูรณ์สรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างย่อมต้องเปลี่ยนแปลงมีเพียงสิ่งที่ตายแล้วเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป ฉะนั้นสัมพันธภาพจะมีชีวิตชีวาได้ก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆคนเราส่วนใหญ่อยู่อย่างไร้ชีวิตชีวาเพราะกลัวความเปลี่ยนแปลงคลาดกลัวที่จะเสี่ยงไปสู่สิ่งที่ยังไม่เคยรู้จักก่อนที่คุณจะละลดลดวางความยึดติดในบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไ ด, ได้พึงสำรวจความยึดติดนั้นในจิตใจตนเองเสียก่อน การเข้าใจความยึดติดนั้นสำคัญยิ่งเพราะคุณต้องเข้าใจมันให้ลึกซึ้งได้เสียก่อนจิตจึงจะเป็นอิสระหากคุณดึงดันบังคับจิตใจให้ละลดปลดวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งทั้งที่ไม่เห็นความยึดติดนั้นตามความเป็นจริงได้แล้วละก็ไม่ช้าไม่นานมันก็จะหวนคืนมาใหม่ หนทางเดียวที่จะกำจัดมันได้อย่างเด็ดขาดก็คือต้องมองเห็นมันจนชัดเจนและเข้าใจมันจนลึกซึ้งเท่านั้นการบีบบังคับตัวเองให้ละลดปลดวางหาใช่การละวางที่แท้จริงไม่คนส่วนมากสร้างเกราะที่มองไม่เห็นแต่ทะลุทะลวงเข้าไปไม่ได้ขึ้นมาป้องกันตนจากการถูกทำร้ายจิตใจ แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสแสวงหาความพอใจจากเงินทองลาบยศความบันเทิงเริงรมยาเสพติดสุราเมรไรและความสุขทางเพศเพียงเพราะพวกเขารู้สึกเหงาที่ไม่มีใครรักและเข้าใจเขาอย่างแท้จริงทุกคนล้วนแต่ขาดเกินกว่าที่จะกล้าเปิดใจออกมา กลัวเกินจะปล่อยใจให้บอบบางต่อการกระทบกระทั่งใดๆมันอาจจะมีความรักความการุณาแบบฝืนใจความจำต้องพอใจในสิ่งที่มีและความถ่อมตนแบบข่มใจด้วยเช่นกันเบื้องหลังความรู้สึกเหล่านี้อาจจะแฝงไว้ด้วยความเกลียดกลัวและยิงผยองในตัวเองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมองให้เห็นความเกลียด ความกลัวความหยิ่งพยองและอื่นๆการมองให้ทะลุก็อาจจะเป็นหนทางรักอีกเส้นทางหนึ่งด้วยเช่นกันอัตมาก็ลำบากใจยามที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้คนเช่นเดียวกับคุณคนส่วนใหญ่หล้วนแต่มีความคิดความสนใจที่ผิวเผินโชคดีที่อัตมาเป็นพระภิกษุจึงสามารถหลีกเลี่ยงคนที่ตัวเองรับไม่ได้ อย่างไรเสียเราก็ยังเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมเราอยู่ตามลำพังไม่ได้ยังคงต้องพบปะสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งเรายังอยู่ในโลกที่คนส่วนใหญ่ขาดสติเห็นแก่ตัวขาดความเกรงใจง่งงมยิงผยองขี้อิจฉาริษยาและอื่นๆเพราะฉะนั้น ก็จำเป็นอยู่เองที่คนฉลาดและไวต่อความรู้สึกจะต้องทนทุกจากการพบปะเกี่ยวข้องกับผู้คนความเข้าใจผู้คนให้ลึกซึ้งและความอดทนอดกลั้นจึงสำคัญยิ่งพึงตื่นตนให้ระลึกถึงพุทธพจน์ปุถุชัชโนูอุมะตะโกปุถุชนเป็นเหมือนคนวิกลจริตไว้เสมอปุถุโนู อมุมาตะโกไม่ทราบที่มาของข้อความนี้และไม่พบในพระไตรปิฎกตามธรรมเนียมของศาสนาพุทธนิกายเถรวาดคำภีอัตถกถาทั้งหมดคำภีอัตถคถาของพระอาภิธรรมหรืออัตถคถาอื่นก็ไม่รวมไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งต่างจากธรรมเนียมของนิกายมหายานอย่างไรก็ตามข้อความนี้มีปรากฏอยู่ในบางอัตถคถา เช่นในอัธธกฐามัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาสมูลปริยายสูตรที่กล่าวว่าอุมั ต, ตะโกวิยะหิปุถุชนูพระพุทธโคสาจารย์ก็มีกล่าวถึงไว้ในคำพีวิสุทธิมักเช่นกันและอาจพบได้ในขุท ธ, ธกนิกายอัธธกฐาปฏิสัมภิทามักทิฏฐิกถา อัตตานุทิฏฐิเทสะรนาอีกด้วยคุณรับมืออยู่กับผู้คนที่เพี้ยนเจียนบ้ามนุษย์เราทุกคนแก่ลงเรื่อยๆแต่ก็ใช่ว่าจะต้องเติบโตขึ้นด้วยคนที่คุณรับมืออยู่น่าจะเหมือนพวกเด็กที่แก่เกินวัยตราบใดที่คุณยังวิ่งหนีจากผู้คนไม่ได้ก็ต้องพยายามใช้ทั้งปัญญาและความการุณา เมื่อต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนหากเราไม่มีอะไรสักอย่างที่เหมือนคนอื่นก็ย่อมไม่มีเรื่องใดจะแบ่งปันสู่กันฟังกับเขาและเธอผู้นั้นได้คุณจะรู้สึกเป็นคนแปลกหน้าอยู่อย่างนั้นหากคุณต้องการมิตรคุณต้องลองนึกดูว่าคุณกับพวกเขามีอะไรเหมือนกันบ้างหากคุณสนใจพวกเขา เขาก็ยอมจะรู้สึกสนิทสนมกับคุณไปเองพึงเรียนรู้ที่จะฟังผู้อื่นโดยไม่ประเมินตัดสินไม่จำเป็นเลยที่จะต้องช่วยแก้ไขปัญหาของพวกเขาแค่เปิดใจรับฟังและอ่อนโยนการขัดแย้งกับผู้คนมันเหนื่อยนะการปรารถนาจะให้เขาเคารพนับถือและชื่นชมมันก็เหมือนติดคุกนั่นแหละหากเป็นไปได้ พยายามหลีกเลี่ยงคนผ่านถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็พึงอย่าเชื่อคำแนะนำผิดๆของพวกเขาแต่ก็อย่าไปขัดแย้งด้วยเราอยู่ในโลกของคนผ่านใครก็ตามที่คบหากับคนผ่านยอมต้องเดือดร้อนแน่ไม่ช้าก็เร็วคนส่วนใหญ่ไม่ยึดถือพระพุทธพจน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่เคยทรงสั่งสอนสิ่งผิดๆ อะเสวนาจะพาลานังพึงไม่คบคนผานมองให้รู้ว่าใครเป็นคนพานแล้วพยายามหลีกเลี่ยงไม่คบหาแต่ก็ใช่ว่าจะต้องคิดระแวงพวกเขามากเกินไปจนกลายเป็นทุกข์เพียงแค่อยู่ห่างๆเหมือนเราอยู่ห่างงูพิษนั่นแหละว่าแต่อะไรหรือที่ทำให้คนกลายเป็นคนพาน หากพบคนดีพึงคบหาเป็นมิตรสนิทสนมหากไม่พบพึงอยู่ตามลำพังไม่มีมิตรภาพในหมู่คนผ่านตั้งแต่อาตมายังเด็กก็มองออกว่าคนส่วนใหญ่หน้าไหว้หลังหลอกทำให้ยากจะเชื่อใครได้แต่โลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าอาตมาจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม มันมีทางเลือกให้แค่สองทางคือจะอยู่กับมันหรือละไปเสียนานๆครั้งจึงจะพบคนที่จริงใจไม่เสแสร้งซึ่งหาได้ยากคนแบบนี้จึงมีค่ายิ่งนักผู้คนส่วนใหญ่ต่างสแสวงหาเงินทองชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์และความบันเทิงเริงรม ไม่เว้นแม้แต่สมณะบางรูปน้อยคนนักจะมุ่งมั่นกระตือรือร้อนสแสวงหาสัจธรรมและความสุขสงบบางคนจเจริญกรรมฐานแทนการเสพยาเสพติดโกรธไหมที่ได้ยินแบบนี้หากคุณโกรธก็ต้องโกรธไปตลอดชีวิตอาตมาเป็นสุขใจที่ยังมีคนที่ซื่อตรงและจริงใจอยู่บ้าง พึงมองคนในด้านดีพวกเขาไม่ได้เลวร้ายมากอย่างที่คุณคิดที่เลวร้ายกว่านั้นยังมีได้อีกทุกคนล้วนมีความเลวหากยอมรับความจริงข้อนี้ได้เราจะชื่นชมได้จริงๆเมื่อเห็นข้อดีของแต่ละคนอาตมาสังเกตพบว่า คุณดูจะมีวุฒิภาวะทางจิตใจสูงกว่าผู้คนในวัยเดียวกันส่วนใหญ่คุณจึงเข้ากับเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันไม่ได้คุณทราบหรือไม่ว่าคนที่มีปัญญามากๆมักจะลำบากในการทำสิ่งที่คนปกติเข้าทำกันเพราะคุณมีค่านิยมที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากคนโดยรอบเป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดความขัดแย้งกับพวกเขา พึงพยายามเข้าใจธรรมชาติของปัญหาให้ได้เสียก่อนบ่อยครั้งทีเดียวที่เพียงแค่ความเข้าใจปัญหาก็แก้ไขปัญหาไปได้แล้วครึ่งทางคุณจำเป็นต้องมีใครสักคนที่คุณไว้ใจเอาไว้ระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจโดยเฉพาะเรื่องที่คุณกังวลห่วงใหญ่คุณคงเปล่าเปลี่ยวแม้จะอยู่ท่ามกลางฝูงชน เพราะอยู่ตามลำพังห่างไกลจากครอบครัวมากทีเดียวก็น่าอยู่หรอกที่คุณอยากจะสนิทสนมกับใครสักคนที่เข้าใจคุณกับความดิ้นรนเดือดร้อนของคุณโดยไม่คิดเอาเปรียบทุกวันนี้มันก็ยากอยู่หรอกที่จะไว้ใจใครอื่นนอกเหนือจากครอบครัวของเราเองได้แต่อาตามาก็ยังมั่นใจอยู่ดีว่า มีคนดีๆอยู่ทั่วทุกมุมโลกคุณแค่ต้องหาคนคนนั้นให้พบเท่านั้นเองคุณพอจะมองเห็นคนที่อ่อนโยนและมีคุณธรรมในแวดวงใกล้ตัวบ้างไหมอาตมาคิดว่าคุณกำลังผ่านประสบการณ์เดียวกับที่อาตมาเคยพบมาก่อนส่วนที่ยากที่สุดก็คือการตัดสินใจหลังจากนั้นไม่นานความเจ็บปวดก็จะหาย อาตมาใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวความเจ็บปวดและความสำนึกผิดนานหลายปีทีเดียวแต่ตอนนี้มันก็เป็นเพียงแค่ความทรงจำเอาเถิดสักวันหนึ่งจะเล่าเรื่องของอาตมาให้ฟังมันคงต้องใช้เวลาสักระยะกว่าที่จิตใจที่บาดเจ็บจากสัมพันธภาพนั้นจะดีขึ้นพึงมีสติและผ่อนคลายให้มากขึ้น จิตใจของคุณสับสนและเครียดมานานมันจึงจำต้องการสติและความอดทนอย่างสูงที่จะละวางการกระทำหรือปฏิกิริยาแบบเดิมๆขอให้คุณอดทนและอ่อนโยนต่อตัวเองไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานสักเพียงใดเราบีบบังคับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้แค่กล่าวต้อนรับมันบุคลิกของคุณ ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสิ่งเลวร้ายที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งก็คือการสูญเสียความนับถือตนเองคุณบ่นมาว่ากรรมอะไรนะถึงได้ต้องถูกทิ้งไว้ในที่บ้าๆนี่เพียงตามลำพังในขณะที่พระอาจารย์และเพื่อนดีๆล้วนอยู่ในพมา่าลองมองในมุมกลับกันดูบ้างกรรมอันแสนมหาศารร์อันใด น, นะ ที่ช่วยให้เรายังมีเพื่อนดีๆและพระอาจารย์ที่แสนประเสริฐอีกมากมายเป็นกาลยานมิตรอยู่ในพมา่าคนอีกมากมายไม่มีเพื่อนแม้แต่คนเดียวในโลกสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆก็คือมีคนรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เราละ่ะรักตนเองได้อย่างไรเงื่อนไขหรือเปล่า คนเรามักอยากจะเป็นคนสำคัญในชีวิตผู้อื่นอยากทำอะไรที่แตกต่างสำหรับอาตมาแล้วคนที่รักตนเองอย่างไร้เงื่อนไขก็ยังไม่ได้และเพิ่งพาตนเองทางด้านจิตใจก็ยังไม่ได้ไม่มีทางจะรักผู้อื่นจริงๆได้หรอกและทำไม่ได้เสียด้วยการจะรักใครสักคนได้เราต้องมีอิสระอาตมารักใครสักคนไหมส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะรักใครสักคนเพียงเพราะเราเหงาด้วยความหวังว่าจะเอาชนะด้วยความเหงาได้หากเรารักใครสักคนจริงๆสักคนและที่คนที่เรารักนั้นเขารักเราตอบด้วยอันที่จริงแล้วหากเรายังไม่สามารถยอมรับความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายของตนเองและอีกฝ่ายหนึ่งได้ละก็ทั้งสองคนก็ไม่มีวันจะพบกันได้ เราทุกคนก็แสนจะเหงากันทั้งนั้นฉะนั้นพึงยอมรับความเหงานั้นโดยไม่พยายามปกปิดหรือวิ่งหนีหรือแม้แต่ดิ้นรนจะเอาชนะมันเพราะเราจะเหงาตลอดไปเราอาจจะลืมความเหงาได้ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแต่มันก็จะหูนกลับมาเล่นงานเราอีกอาตมาเองก็เหงา เหงามากขึ้นกว่าที่เคยเหงาและมองเห็นความเหงาเรียงหน้าเข้ามาทักทายมากขึ้นทุกทีมีคนน้อยยิ่งกว่าน้อยที่จะเข้าใจเราได้มันเหมือนมีหุบเหวแห่งความเข้าใจผิดกั้นกลางระหว่างคนแต่ละคนจริงอยู่อาตมามีเพื่อนที่รักและนับถืออาตมาอยู่แต่เขาไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของอาตมา และไม่เคยเข้าใจอาตมาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งพวกเขาไม่มีวันรู้จักอาตมาจริงๆซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ตำหนิพวกเขาที่ไม่รู้จักตัวตนแท้ๆของอาตมาหรอกนะเขารักภาพของอาตมาที่เขาสร้างขึ้นมาเองซึ่งเป็นภาพพ์ที่ไม่ใช่ความจริงแล้วอาตมาเองละ่ะรู้จักตัวตนของตนเองแน่แล้วหรือ สิ่งที่อาตมาคิดว่าเป็นตัวเองก็ยังเป็นภาพที่อาตมาสร้างขึ้นมาอยู่ในใจอยู่ดีทางที่ดีแล้วพึงมีสติทุกขณะจิตโดยไม่ต้องเสียเวลาหาคำตอบให้คำถามเหล่านี้จะดีกว่าสติคือหลุมหลบภัยหนึ่งเดียวของอาตมาเพราะอาตมาเข้าใจความเหงาของตัวเองดีจึงเข้าใจความเหงาของผู้คนและความเหงาของคุณด้วย ถึงอาตามาจะเรียนรู้วิธีดำรงชีวิตอย่างเงียบๆสงบตามลำพังแต่ก็ยังมองเห็นคุณค่าของการประสานจากใจถึงใจกับผู้อื่นอยู่ดีมีทุกข์มหันจึงได้กลายเป็นพระมีทุกข์หนักขึ้นไปอีกจึงกลายเป็นมนุษย์กว่าจะหามิตรได้สักคนมันช่างยากเย็นมิตรแท้คือผู้ที่จะไม่ครอบงำเรามีเวลาเหลือเฟือ ที่จะตั้งใจฟังเราโดยไม่ขัดคอรับรู้ความรู้สึกของเราด้วยความเข้าใจคนส่วนมากวอกแวกวาวุ่นขาดสติไม่มีความสุขและจมอยู่กับปัญหาของตัวเองหากจิตของคุณไม่สงบคุณจะรับฟังผู้อื่นได้อย่างไรอาตมาสนิทสนมกับคนหลายหลายคนซึ่งต่างเล่าเรื่องราวในชีวิตและความรู้สึกนึกคิดให้อาตมาฟัง อย่างที่เขาไม่เคยบอกกล่าวกลับใครๆและในหลายๆกรณีสิ่งที่เขาพูดออกมาก็เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนตราบจนกระทั่งอาตมาสักถามเขาเพื่อให้เขาอธิบายเพิ่มเติมในบางจุดนั่นแหละที่เขาเริ่มใส่ใจลึกลงไปในจิตใจของตนเองแล้วก็ประหลาดใจที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน คนเรามักซุกซ่อนบางอย่างไว้ในใจไม่ให้ตนเองรู้จึงรู้จักเพียงบางส่วนของตนเองแทนที่จะเป็นตัวตนทั้งหมดตราบใดที่ยังไม่รู้จักตัวตนทั้งหมดของเราเองเราย่อมจะเติบโตไม่ได้การทำความรู้จักตัวตนทั้งหมดนั้นเราต้องยอมรับได้ทุกอย่างโดยไม่ปฏิเสธอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นความคิด ความเห็นความรู้สึกของตนเองแม้ว่ามันจะเลวร้ายเพียงใดก็ตามดังนั้นจากประสบการณ์ที่อาตมาได้เรียนรู้ผู้คนทุกคนล้นเปล่าเปลี่ยวเดียวดายแม้แต่คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวทั้งครอบครัวเดิมหรือครอบครัวใหม่ที่แยกออกมาแค่มีคนลายร้อมก็ใช่ว่าจะไล่ความเหงาออกไปได้ หากไร้ซึ่งความเข้าใจและการยอมรับถึงอย่างไรก็ยังเหงาใช่ว่าสมาชิกในครอบครัวจะเข้าใจและยอมรับกันและกันได้ทุกคนต่างข้อประเมินสติตัดสินกันและเข้าใจกันผิดๆต้นเหตุแห่งปัญหามาจากความไม่รู้และเข้าใจตนเองให้ลึกซึง้งและยังยอมรับตัวตนของตนเองไม่ได้เรามักจะปฏิเสธบางด้านของตนเองเสมอ เรารักตนเองโดยปราศจากเงื่อนไขไม่ได้หรือฉะนั้นหากคุณไม่พยายามรู้จักตัวเองให้ลึกซึง้งซึ่งไม่ง่ายเลยคุณจะไม่มีวันแก้ไขปัญหานี้ได้โดยมากเรามักมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพราะความเหงาเท่านั้นเองสัมพันธภาพที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือไล่ความเหงามักจะล้มเหลวเพราะเรา มักคาดหวังว่าจะมีใครช่วยยุติความเหงาของเราได้สัมพันธภาพที่เป็นเครื่องมือเพื่อยุติอะไรบางอย่างมักยุติลงด้วยความผิดหวังเสมอสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ทำอยู่ตลอดเวลาก็คือการวิ่งหนีจากความเหงาเราจึงไม่เคยมีเวลาทำอะไรอื่นอีกเลย เมื่อคุณเข้าไปสัมผัสตัวตนที่แท้จริงในส่วนลึกของตนเองได้แล้วนั่นแหละชีวิตของคุณจะมาถึงจุดเปลี่ยนคุณจำเป็นจะต้องมีมิตรดีๆที่รู้จักตนเองได้ลึกซึ้งแล้วเช่นกันเขาและเธอคนนั้นต้องยอมรับตัวตนของตนเองได้อย่างพอใจไม่ขาดกลัวที่จะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงและเห็น ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่แท้งทำเป็นไม่เห็นมันเหมือนกับการดำน้ำลึกลงไปในมหาสมุทรได้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนทั้งรูปร่างและสีสันทั้งสวยงามและน่าเกลียดคนที่มองหาทับทิมย่อมมองไม่เห็นเพชรเพราะเพชรไม่มีสีในตัวเองแม้เพชรจะไร้สีสัน แต่มันก็เจิดจ้าแพรวพรว์เพศเทียมที่คนสร้างขึ้นอาจจะมีสีสันทางที่ประเสริฐพึงช่วยเหลือผู้อื่นโดยใช้ศักยภาพที่คุณมีให้น้อยที่สุดโดยไม่ใช้เวลาและพลังจนเกินไปมิฉะนั้นคุณจะเหนื่อยจนหมดแรงคุณอาจจะช่วยเหลือเขามากขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ไม่ใช่ตลอดเวลา หากคุณทําเต็มขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลาไม่ช้าไม่นานก็จะมาถึงจุดอิ่มตัวซึ่งเกินที่ขัดที่จะรับได้ถึงตอนนั้นมันก็มากเกินจะทนได้เสียแล้วคุณกล่าวว่าท่านสยาดอขอรับคนเรานี่แปลกเมื่อใดที่เราดีกับเขาเขาก็มักฉวยโอกาสเราต้องร้ายกับเขาไว้บ้างไม่ดีแน่ คุณไม่ควรร้ายกับใครเพียงแต่คุณต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าอะไรที่คุณทําได้และขอบเขตขีดความสามารถของคุณอยู่ตรงไหนบอกเขาให้ชัดเจนถึงข้อจำกัดและแนวทางที่คุณจะใช้เวลาในแต่ละวันถ้าคุณไม่บอกกล่าวใครจะรู้ได้คุณคาดหวังว่าเขาจะรู้ได้โดยไม่ต้องอธิบายอย่างนั้นหรือ อย่าลืมว่าความสนใจของพวกเขาอยู่ที่สิ่งที่พวกเขาต้องการหาใช่สิ่งที่คุณต้องการไม่เพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ต้องบอกให้เขาเข้าใจและเรียกร้องในสิ่งที่คุณต้องการหากคุณไม่บอกกล่าวถึงขีดจำกัดของคุณคนเหล่านั้นก็จะขอให้คุณทำมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดคุณจะรู้สึกว่า คุณถูกเอาเปรียบหนักเกินไปคุณจะตอบโต้ด้วยความสับสนอันจะกลายเป็นเหตุให้สัมพันธภาพของคุณกับคนเหล่านั้นขาดสะบั้นลงอาตมาเองมักจะย้ำกับผู้คนถึงขอบเขตจำกัดของอาตมาเสมอไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณไปอยู่ในที่ใหม่คุณต้องกำหนดข้อจำกัดเสียตั้งแต่ต้น วางตารางของคุณไว้ให้ชัดเจนและแข่งขัดหากคุณดีเกินไปก็จะจบลงแบบที่คุณขมขื่นเกินทนมันจะกลับกลายเป็นว่าคุณจะเกลียดคนที่คุณโอนอ่อนผ่อนตามมากที่สุดทุกคนล้วนคาดหวังจากเรามากเกินไปทั้งนั้นและมักจะถือโอกาสจนเคยชินไม่เว้นแม้แต่สมาชิกในครอบครัวของเราเองไม่มีใคร มีอำนาจเหนือคุณได้หากคุณไม่ยกอำนาจให้เขาคุณเองนั่นแหละที่ปล่อยให้เขามีอิทธิพลเหนือจิตใจของคุณหากคุณไม่ต้องการให้เขามีอิทธิพลเหนือคุณอีกต่อไปเขาก็ย่อมจะหมดอำนาจเขาจะมีอิทธิพลเหนือคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณคิดว่าเขาเข้มแข็งและมีพลังกว่าเท่านั้นไม่เห็นหรือว่า พวกเขาขลาดกลัวไรพลังและพึ่งพาตัวเองไม่ได้พวกเขาจะวางท่าราวกับราชาหรือราชีได้ก็ต่อเมื่อคุณยกเขาขึ้นนั่งบาลังแต่ถ้าคุณเอาเขาลงวางกับพื้นดินเขาก็เป็นแค่คนขลาดกลัวอ่อนแอไร้พลังพึ่งตัวเองไม่ได้และปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่แตกต่างจากคนอื่นเลย เมื่อใดที่เราละวางภาพพจน์ของตนเองลงได้ถอดเกราะที่กำบังตนเองออกเราจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราอาตมาเองก็ไม่ต่างอะไรจากคุณเลยพลังที่แท้จริงคือจากความเข้าใจตัวเองความอดกลั้นคือการแสดงถึงพลังที่แท้จริงอริสโตเติล ผู้คนมอบอำนาจให้แก่คนคนหนึ่งที่เป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีจึงมีอำนาจได้อย่าปล่อยให้ผู้คนเอาเปรียบคุณได้แต่เมื่อใดที่คุณถูกเอาเปรียบก็พึงคิดว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่คุณต้องจ่ายเพื่อจะเรียนรู้ว่ามีใครเอาเปรียบคุณหรือไม่ถ้าไม่ทดลองแบบนี้คุณจะแน่ใจได้อย่างไร ก็ไผ่โบกโบโยเอลูยามต้องลมคุณจะโทษใครระหว่างลมกับต้นไผ่อาตามาใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือดีๆมากมายเขียนจดหมายถึงผองเพื่อนและพยายามเจริญสติรู้สึกเป็นสุขกับที่นี่มันสงบและสงัดฟ้าครามกับเมฆขาวฝูงนกกับหมู่ไม้อาตามาไม่รู้สึกเป็นทุกข์ แต่ก็คิดถึงลูกสาวมากเหลือเกินลูกกลายเป็นจุดสนใจในชีวิตของอาตมาไปแล้วเห็นหรื อ, อยังว่ามันยากเหลือเกินที่จะมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อตัวเองเรายังต้องมีคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเรายังต้องมีบางคนหรือบางสิ่งเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตแม้แต่ฤาษีชีไพรก็ยังต้องมีเป้าหมายแห่งการดำรงอยู่ สหายรักหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงได้พบกันยังไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อใดวันนั้นจะมาถึงทั้งคุณและอาตมาต่างก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปจึงหวังว่าเราจะไม่ผิดหวังเมื่อพบว่าเราต่างก็แตกต่างไปจากเดิมสำหรับอาตมาตราบเท่าที่คุณเป็นคุณจริงๆอาตมาก็พอใจ และคุณก็จะได้พบตัวตนของอาตมาจริงๆเช่นนั้นเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่อาตมามั่นใจก็คืออาตมาไม่มีอำนาจใดๆจะเปลี่ยนแปลงผู้คนและไม่สนใจจะทำอย่างนั้นด้วยอาตมาจะไม่มีวันตั้งตนเป็นปรมาจารย์หากจะเป็นใครสักคนก็ขอเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งหวังว่า จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนหนึ่งด้วยอาตมาเห็นคุณค่าของมิตรภาพระหว่างเราเสมอมันจะเป็นสิ่งที่ยากจะปลดวางได้ในตอนนี้จะพยายามเก็บเมตตาเอาไว้และละวางความยึดติดลงให้ได้คุณคือกัลยาณมิตรของอาตมาแค่นี้ก็คงเป็นเหตุผลเกินพอที่อาตมาจะเล่าความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่สุดสู่กันฟังได้ โปรดอย่าคิดว่าตนเองไม่มีคุณค่าพอหวังว่าคุณคงจะเข้าใจอาตมาใช้ชีวิตอยู่กับผู้คุณมานานพอและมั่นใจว่าตนเองเข้าใจผู้คนได้ดีด้วยประสบการณ์ที่เคยคล้องเกี่ยวกับผู้คนมาจึงคิดว่าอาตจจมาเข้าใจคุณดีอาตมาคงไม่ผิดพลาดไปเสียทุกอย่างหรอกดังนั้น ขอให้คุณเข้าใจด้วยว่าคุณยังมีมิตรผู้หนึ่งที่ไว้ใจให้เกียรติและเข้าใจคุณหากอาตมาพอใจก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกในส่วนลึกของอาตมาให้ฟังต่อไปหากอาตมามีความพิเศษในทางหนึ่งทางใดก็แปลว่าคุณเองก็ต้องมีความพิเศษเช่นกันเราจึงคบเป็นสหายกันได้ เพียงไม่นานวันนี้เองที่พบว่าฉันไม่มีมันฉันเคยมีแต่ทำมันหายไปโดยไม่รู้ตัวรู้สึกเพียงแต่ว่ามีบางอย่างขาดหายไปฉันทำชีวิตตกหายรู้สึกเหมือนตายสนิทจะแลกด้วยอะไรก็ยอมขอเพียงได้ชีวิตคืนมาก็จะอยู่ไปทำไมหากไร้ชีวิต เพราะโง่เง่าเลผลอไผ่ทุ่มกายกับจิตไปกับสิ่งไร้สาระตอนนี้หัวใจฉันจึงได้แต่โหยให้ฉันอยู่มาได้อย่างไรกับความหลอกลวงไร้สาระฉันยังจะหารกล้าเอาชนะมันได้ไหมจะได้กลับไปหาชีวิตที่สดใสเปลี่ยมด้วยความหมายกลับไปเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจริงๆได้อีกสักครั้งอาตมาเคยกังวลว่า ความเข้าใจและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของอาตมาจะทำให้ต้องสูญเสียผองเคลื่อนไปแต่แล้วก็ค่อยคยอมรับได้อาตมาคงต้องจริงใจกับตัวเอง